ดัชนี้จับแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเมื่อเห็นคําถามตอน ต, อนต่อไปนั้นท่านอัจฉริกราบทูลถามว่าบุคคลสามารถตัดกระแสทั้งหลายได้ด้วยอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสามารถตัดได้ด้วยปัญญา ความตอนเมื่องแห่งธรรมะตอนนี้ก็คือว่าท่านอาชิตมีความรู้สึกว่าสัตว์โลกนั้นได้ไหลไปในกระแสทั้งหลายซึ่งเมื่อเราโดยสรุปแล้วก็คือกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของกรรมที่ท่านจำแนกเอาไปเป็นตันหาเป็นทิฏฐิเป็นกิเลสและเป็นทุจริตท่านถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้น กระแสทั้งหลายเหล่านั้นได้ซึ่งส่งแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกันได้แต่ว่าการห้ามการสกัดกัดการ น, นั้นเป็นการหยุดกระแสไว้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองท่านจึงถามในตอนต่อไปว่าบุคคลสามารถตัดกระแสให้ขาดได้ด้วยอะไรก็ส่งแสดงว่าสามารถตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาข้อนี้ในทางปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้สติเป็นตัวนํา ในการปฏิบัติมุ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงแห่งกระแสะทั้งหลายซึ่งจัดเป็นรูปของกรรมฐานก็คือเรื่องของสมถกรรมฐานที่มุ่งบรรเทากิเลสประเภทที่เรียกว่านิวรทั้งห้าประการแต่ประการบรรเทานั้นอย่างมากก็ทำแค่เป็นชานคือกดทับกิเลสเอาไว้เท่านั้นเองฉานั้นสามารถเสืออเส่อมได้เมื่อเสื่อมได้กิเลสก็กาเริบได้ มันกำเริบได้การหมุนบนเข้าสู่กระแสะก็เป็นไปอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไปทราบเท่าที่กระแสะนั้นยังไม่ถูกตัดให้ขาดไปดังนั้นท่านอาทิตย์ซึ่งมีความมุ่งหมายที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือไม่ต้องการบรรเทาเพียงอย่างเดียวหรือไม่ต้องการปิดกั้นกระแสะไว้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการจะตัดให้ขาดไปเสียเลยว่าจะตัดได้ด้วยอะไร ซึ่งพระบรมมีพระภาคเจ้าก็ทรงยกเอาปัญญาเป็นเครื่องตัดกระแสะอย่างแท้จริงในทางของการปฏิบัตินั้นก็คือเรื่องของปัญญาศิกษาหรือส่วนของวิปัสสนาปัญญานั่นเองเพราะการปฏิบัติระดับสมถะก็ส่งต่อไปสู่วิปัสสนาเมื่อถึงระดับวิปัสสนาสติและปัญญามีกำลังแก่กล้ามากขึ้นทำงานประสานสัมพันธ์กันก็สามารถตัดกระแสะของกิเลสประเภทที่เราเรียกว่าสังโยชน์หรืออนุสัย หรือแม้แต่ที่เรียกชื่ออย่างตื่นให้หมดไปจา ก, กจิตใจของบุคคลได้ปัญญาที่บุคคลจะพึงใช้ในกระิดนั้นๆจึงมีอยู่หลายระดับแต่ส่วนมากองค์ธรรมก็ได้ผ่านปัญญามาแล้วโดยลาดับหลายตอนด้วยกันจปะปาในที่นี้จะกล่าวโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งได้แก่ปัญญาระดับที่จนเรียกว่าบริหารปัญญาคือปัญญาที่บริหารตนเองได้ เพื่อใช้ในการตัดกระแสของตันหาของทิฏฐิของกิเลสของทุจริตในชีวิตประจําวันปัญญาระดับบริหารตนเองนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นการกรู้ทันถึงสิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในขณะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นภายในด้วยการเหนี่ยวดึกของตนก็ตาม ปัญญากับสติจะต้องทำหน้าที่สัมพันธ์ตันคือระลึกรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นเรื่องของตันหาก็ดีเรื่องของทิฏฐิก็ดีเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเอเสได้เกิดความเศร้าหมองขึ้นภายในจิตใจก็ดีก็วินิจฉาถึงลักษณะของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นโทษถ้าหากว่าปล่อยให้เจริญเติบโตมากขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จะสร้างความเร่าร้อน กระสับกรสายให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจจนจิตใจสูญเสียความสงบและถ้ารุนแรงออกไปยิ่งกว่านั้นกระแสต่อไปก็จะออกมาเป็นรูปของทุจริตทางกายทางวาจารุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างตามปริมาณของตัณหาของทิตจิของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษประจกักษ์ชัดเช่นนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปตัดปัญญาบางครั้งจึงอุปมาเหมือนกษะสับกระสาา่าซึ่ง จำเป็นจะต้องรับให้คมอยู่เสมอท่านนี้ท่านอุปมาว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อสร้างพระโพธิญาณของพระพุทธมีพระภาคเจ้านั้นก็เหมือนการรับสัตราที่ขินด้วยความเพียรพยายามมาโดยลำดับและเมื่อสัตตามีความคมกร้า ม, มากพอแล้วก็สามารถตัดสิ่งต่างๆที่ตัวต้องการตัดได้ฉันได การมาเป็นเปลี่ยนความดีในลักษณะขัดเกลีจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มพูนปริมาณของปัญญาให้สูงขึ้นสามารถรู้อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นจากภายในก็ตามจากภายนอกก็ตามในทันทีทันใดและวินิจฉัยตัดสินลงไปได้ในทันทีทันใดเหมือนกันว่าอารมณ์เหล่านี้มีลักษณะอย่างไรแล้วก็ตัดกระแสของอารมณ์เหล่านั้นได้ ในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นเจอพบว่าในกรณีของอารมณ์ที่ผ่านมาจากข้างนอกคือผ่านมาทางตาหูจมูกดินกายนั้นก็ทรงสอนตั้งแต่ขั้นของการระมัดระวังไม่เข้ามาที่เราเรียกว่าอินทรียสังวรแต่ในกรณีเดียวกันเมื่อผ่านมาแล้วก็ให้ใช้หลักซึ่งเรียกว่ามนสิการวิโดนิโสมนสิกา ได้แก่การนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเพ่งพินิพิจนาด้วยอุบายยวิธีที่สมเหตุสมผลยุติผลหลักความจริงที่สามารถคาดหมายถึงผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนในอนาคตได้หากประพฤติผาดกระทำลงไปเช่นนั้นดนั้นการพิจารณาในลักษณะนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยหลักของโยนิโสมนัสิการเป็นอันมาก นอกจากจะพิจารณาถึงตัวของสิ่งเหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วต้องพิจารณาในแง่ที่เป็นกระบวนการคือเหตุเกิดของสิ่งเหล่านั้นได้ว่ามีเหตุเกิดมาจากอะไรและคาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนั่นก็คือหลักของการมานสิการด้วยอุบายแยบขายเพื่พิีนิ้พิจารณาอารมณ์ทั้งหลายแต่โดยหลักทั่วไปแล้ว ก็สงวางหลักไว้ให้กว้างๆว่าให้มานศิการในเรื่องที่ควรแก่การมนสศิการและไม่มานศิการในเรื่องที่ไม่ควรแ ก, กร่การมานศิการคาว่ามานศิการคือทำไว้ในใจหรือเก็บไว้ภายในใจหรือเก็บเข้าไปคิดนึกถึงเรื่องเหล่านั้นจใจคําบาลีง่ายๆว่ามานศิกาเพราะตามปกติอารมณ์ที่ผ่านมา ในทางประสาทสัมผัสของบุคคลนั้นในชั้นหนึ่งคือแกเป็นอย่างที่แกเป็นเป็นอย่างไรแกก็เป็นของแกอย่างนั้นการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวอารมณ์เป็นหลักสำคัญหากแต่เป็นการกำหนดหมายของบุคคลเป็นประการสำคัญดังนั้นในมุม ก, กว้างเบื้องตน้น เมื่อปริมาณของปัญญายัางมีไม่มากพอก็ทรงสอนไว้สองแนวแนวหนึ่งคือมนสิการในเรื่องที่ควรแก่การมนสิกานคือใส่ใจในเรื่องอะไรก็ตามตั้งเมื่อใส่ใจไปแล้วกุศลคือความดีจะเพิ่มพูนขึ้นภายใ น, ในใจิตใจของตนอกุศลที่มีอยู่แล้วจะเสื่อมถอยลงก็ให้มนสิการถึงเรื่องนั้นแต่ในชั้นนี้ผู้ปฏิบัติจะพบถึงความจริงอีกชั้นหนึ่งว่า พอปฏิบัติเข้าไปจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายจะมองได้เป็นสองชั้นชั้นหนึ่งปริมาณของปัญญาไม่มากพอก็มองตามรูปแบบที่ปรากฏแล้วกําหนดหมายตามโครงสร้างใหญ่ๆของสิ่งเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดีไปเลยแต่อีกชั้นหนึ่งถ้าหากว่าปริมาณของปัญญามีความแก่กล้ามากพอแม้สิ่งที่คนคนหนึ่ง เกิดมานสิการเกิดคิดเกิดตรึกนึ ก, นกถึงแล้วกิเลสเกิดขึ้นแต่สมัครคนที่มีปัญญาสามารถที่จะมานสิการอีกแนวหนึ่งให้กิเลสสงบระงับดับไปได้คือการมองสิ่งนั้นในแง่อย่างไรข้อ น, นี้จะพบว่าปริมาณของปัญญากลับเป็นตัวกําหนดอย่างสําคัญว่าเราจะมองสิ่งนั้นอย่างไรกันติดตามแก่เป็นอะไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การมองอย่างไรก็เป็นอีกชั้นหนึ่ง ถ้าปริมาณของปัญญาของบุคคลมากพอแม้สิ่งเหล่านั้นจะวิจิตซึ่งกอให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองหรือรุ่มหลงเรื่องหมัหหวหมอกก็ตามด้วยปริมาณของบัญญาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลสามารถจะวินิจฉัยอาจจะมองจากจุดนั้นแล้วกลับไปหาอีกจุดอื่นก็ได้คือจุดที่ปรากฏนั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะวินิจฉัย แต่จะมีการคาดหมายถึงผลต่อไปที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างการมองของสาของพระเรวตะเทระสมัยที่ยังเป็นเด็กเป็นการมองเจ้าสาวของท่านในวัยยังเด็กๆในขณะนั้นก็มองไม่เห็นความปฏิกูลนักเกรยียดของร่างกายแต่ประการใด แต่นมองในลักษณะคาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายส่วนนี้อีกร้อยปีข้างหน้าก็ท่านท่านก็มองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพของความแก่ชราค่ําคลาเข้าคุกคามเข้าเบียดเบียนร่างกายก่อให้เกิดความวิปริตแปรปรวนไปด้วยประการต่างๆแล้วท่านเอาภาพนั้นมาเป็นอารมณ์ในการกําหนดพิณิพิจนาสามารถสลัดตนหลุดออกไปจากบ่วงของมารที่จะผูกมัดระรึงจิตใจของท่านได้ นั่นก็คือลักษณะของการใช้ปัญญาซึ่งบางครั้งสิ่งที่ปรากฏนั้นเราไม่มีกำลังมากพอที่จะวินิจฉัยเพราะว่ามีการปรุงแต่งมีการประดับประดาไว้สวยงามวิจิตพิสตาได้เกิดแต่ก็ต้องมองคาดหมายจากจุดซึ่งปรากฏนั้นเองเป็นกระบวนการตามหลักของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงมองเห็นตั้งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแก่สิ่งนั้นในโอกาสต่ตอไป การมองในลักษณะนี้ผึ่งสังเกตว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็สมองอย่างนั้นก่อนที่จ ะ, สะเสด็จออกประนวดทรงมองพระนางยโสธราพิมพาหรือมองพระองค์เองหรือมองบุคคลที่ใกล้เคียงพระองค์โดยการมองภาพปัจจุบันแต่ภาพปัจจุบันไม่สามารถจะเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้ กมองคาดหมายถึงผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแก่รูปร่างกายของพระองค์แก่พระนางเยโสถาลาพิมพาหรือแก่บุคคลที่ใกล้เคียงพระองค์ว่าในโอกาส ต, ต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ล้งพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่คือการมนานัสิการในสองชั้นชั้นหนึ่งโดยการปฏิบัติพื้นฐานก็คือว่าอะไรเมื่อมนานสิการไปแล้วกิเลสเกิดธรรมะที่มีอยู่ก็สงบระงับไปก็ไม่มนัสิการคือไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้น อีกชั้นหนึ่งมรรสการในจุดนั่นเองโดยใช้ปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นมองมองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งหรือมองโดยคาดหมายผลในอนาคตหรือมองในแง่ของเหตุปัจจัยอย่างในกรณีของตันหาที่วังเกิดขึ้นภายในใจจะเป็นตามาตฐาหาภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาก็ตามการใช้ปัญญาเข้าไปปินิชพิจารณานั้นถ้ามองอนาคตไม่เห็นก็มองในแง่กระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนจากสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมา เตนาหาเกิดมาจากอะไรตานาก็เกิดมาจากเวทนาคือการสวยอารมณ์เวทนาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากอะไรภาษาภาษาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการมีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกคือมีตาเห็นรูปเป็นต้น แต่ว่าไม่ใช่นิ่งๆก็เกิดวิญญาณขึ้นมาจะต้องมีองค์ประกอบของวิญญาณคือมีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกเช่นในกรณีของตาเห็นรูปก็ต้องมีตามีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาเห็นได้ในขณะเดียวกันก็ต้องมีแสงสว่างแม้จะมีสมอย่างเช่นนั้นถ้าหากก็ไม่สนใจคือไม่มานาจิการเรืงสิ่งเหล่านั้นวิญญาณก็ไม่เกิดก็มองกลับไปอีกทีว่าตัวการจริงๆก็อยู่ที่มานาจิการคือการใส่ใจ ถ้าไม่ใส่ใจปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายนั้นคงมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาดังนั้นเราสามารถที่จะหยุดความคิดในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นภายในจิตได้หลายขั้นตอนด้วยกันในชั้นแรกก็คือไม่ดูไม่เห็นเไยข้อนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามักสอนในชั้นของการปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติวินยัย เพาในขณะนั้นปริมาณของปัญญาไม่มากพอที่จะไปวินิจฉัยอะไรก็คล้ายๆกับที่เราฝึกปลืออบรมเด็กนั่นเองพราะเรื่องบางเรื่องนั้นอย่าให้เด็กดูหรือข้ามเด็กดูตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะปริมาณของปัญญาเด็กแกไม่มากพอที่จะไปวินิจฉัยตัดสินหรือจะไปหาความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นว่าอะไรคือความถูกต้องดีงามเป็นต้นรอให้ปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้เด็กแกดูในเรื่องเหล่านั้น ปัญญาที่เป็นเด็กคือหมายความปัญญาที่ยังอ่อนอยู่ซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของคนก็มองกันในแง่ของระดับศีลไปก่อนอะไรที่จะปิดกั้นก็ปิดกั้นไปเฉยไลยเพื่อตัดปัญหาแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นผ่านมาก็สามารถที่จะใช้ปัญญาตัดได้ทุกระยะตัดโดยไม่นัดไม่มนัดสิการคือไม่สนใจในเรื่องแบบนั้นมีเสียงก็ไม่สนใจมีรูปก็ไม่สนใจมีกลิ่นก็ไม่สนใจในกรณีที่กิเลส จ, จะเกิดขึ้น คือไม่ใช่ไม่สนใจไปทุกกรณีไม่สนใจในกรณีที่กิเลสจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณทําความดีทั้งหลายก็ผ่านมาทางภาษาสัมผัสเหมือนกันไม่ใช่ไปปิดไว้ทั้งหมดหรืออาจจะตัดในตอนที่เป็นวิญญาณได้ก็ได้จะรู้ก็สักแต่ว่ารู้รูปก็สักแต่ว่ารูปไปแหยุดแค่นั้นหรือไม่อย่างนั้นก็มาตัดที่ตัวผัดสักคือตัวกระทบกระทบกระชังเขาไม่เป็นไรจะดีหรือไม่ดีก็ถือว่า ไม่เป็นไรก็หยุดแค่นั้นไม่มีเวทนาต่อไปหรือมาถึงเวทนาแล้วก็ตัดที่เวทนาเสียเลยเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็ตามเขาหยุดไว้ท่านั้นสักแตะวส่สุขสัก์ต่ว่ทุกข์ท่านั้นเองมันเป็นกระบวนการก้อนเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยเกิดแก่ก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยดับแก่ก็ดับไปเองตัณหามขาก็หยุดถ้ายังไม่หยุดก็ต้องดับมาที่ตัณหาอีกทีหนึ่งปัญญาก็เข้าไปตัดที่ตัณหาอีกทีหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่ามันไหลมาเป็นกระบวนการเช่นนี้ ปัญญาที่มีกำลังแก่กล้าสามารถตัดได้ทุกขณะดังนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมองจากจุดใดก็ตามธรรมะจะสอบขึ้นมาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสติกับปัญญาของบุคคลให้มีความแก่กล้าขึ้นโดยลำดับโดยเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นในชั้นของสมถะก็มุ่งเสริมสร้างสติเป็นหลักสาคัญปัญญารองลงมา พอถึงชั้นมิปัจสสนาก็มุ่งที่จะเสริมสร้างปัญญาเป็นหลักสำคัญเพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปปัญญาการบริหารตนในลักษณะนี้พอถึงจุดหนึ่งจะกลายเป็นปัญญาประเภทที่เรียกว่านิปปโกคือปัญญาที่คุ้มครองตนรักษาตนได้มีเหตุการณ์มีเรื่องราวมีอารมณ์ ไม่ว่าจะระดับพื้นฐานใดก็ตามผ่า น, านมามทางประสาทสัมผัสของตนปัญญาจะกลายเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันไม่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาสู่จิตได้แต่ในขณะเดียวกันการมนานัิการอีกด้านหนึ่งนั้นถ้าหากว่ากุศลมนานัศิการเรื่องอะไรคือใส่ใจเรื่องอะไรหรือสนใจเรื่องอะไร แล้วก็สนความดีเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้สนใจในเรื่องนั้นนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันคือหมายความว่าเป็นการสนใจตามรูปแบบของสิ่งที่ปรากฏเพราะปริมาณของปัญญามีจำกัดแต่พอถึงชั้นปริมาณของปัญญาแก่กล้าแล้วก็เป็นไปดังนัยยะที่กล่าวแล้วในตอนต้นดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มใช้ในชีวิตประจำวันของบุคคล น, นี้เอง ที่ายาใสปัญญาตัดกระแสปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจและกระนาจิตใจก่อให้เกิดความมิตกกังวลเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆเช่นที่เป็นเรื่องราวเป็นบุคคลเป็นเหตุการณ์บางครั้งก็ใกล้ชิดกิดตนบางครั้งก็หารกร่างไกลกิดตนแต่ก็มีปริมาณของปัญญามากพอแล้วจะพบได้ว่าบุคคลสามารถตัดอะไรได้เป็นอันมากเช่นการตามสุขเศร้าถึงการที่ผ่านมาแล้วในอดีต จะเป็นความพลัดพรากความสูญเสียญาติมิตรคนที่รักต้องล้มหายตายจากไปเป็นตน้นสติจจระ ล, ะลึกว่าคิดเรื่องอะไรปัญญาก็จะวินิจฉัยว่าคิดถึงเพียชนคนที่รักซึ่งตายไปแล้วจะเกิดปัญหาขึ้นถามตัวเองว่าคิดแล้วได้อะไรปัญญาจะวินิจฉัยว่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรก็ตัดสินปัญหาว่าไม่คิด เรื่องของอดีตนั้นใช้ได้ในกรณีเป็นบทเรียนเท่านั้นเองแต่ว่าใช้ไปวิตกกังวลเดือดร้อนต้องการใจหวนกลับมาใจหวนคืนมาจะให้เป็นไปอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นนั้นไม่มีใครทําได้ปัญญาก็ตัดกระแสความคิดในอนดีตที่เป็นปัญหาภายในจิตใจออกไปได้ปัญหาบางอย่างที่คาดหมายในอนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันปัญญาจะตั้งปัญหาขึ้นมา แล้วก็หาคําตอบด้วยตัวเองว่าคิดแล้วจะได้อะไรขึ้นมาก็ยังไม่ได้อะไรเพราะสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงเป็นการคิดเป็นกา ร, รเตรียมโดยสูญเสียเวลาของตัวเองไปเปล่าก็ทําให้ตั้งสติกําหนดระลึกจูดในส่วนของปัจจุบันแม้ปัญหาในปัจจุบันเองเรื่องราวข่าวลือปัญหาของบริวารชนใกล้ชิดของตนหรือแม้ปัญหาระดับชาติบ้านเมืองระดับสังคมก็มีลักษณะอย่างนั้น เมื่อคนได้ใช้ปัญญาพินิพิจารณาแล้วจะสามารถปลดเรื่องความคิดเหล่านั้นออกไปจากใจได้วเวลาถามว่าคิดอะไรอาจจะตอบได้คิดไปเพื่ออะไรอาจจะพอตอบได้ด้วยความข่วงใยวิตกกังวลถึงเยาวชนถึงสังคมถึงชาติบ้านเมืองถึงโลกอะไรก็อาจจะว่าไปแต่ถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ไหมก็อตอบได้ว่าปัญหาเป็นนั้นมากที่เราแก้ไม่ได้ คิดไปก็เป็นการสูญเสียพลังเปล่ า, ลาแม้บางครั้งบางคราวจะลงทุนขีดเขียนเรื่องราวขึ้นไปเสนอข้อคิดต่างๆก็ไม่มีใครนําไปสู่ภาคปฏิบัตินั่นจึงเป็นการลงลงทุนลงแรงที่สูญเปล่าอีกชั้นหนึ่งเมื่อเราถามรู้ว่าได้ประโยชน์อะไรก็ตอบด้วยใจตัวเองว่าไม่ได้ประโยชน์เมื่อไม่ได้ประโยชน์ก็หยุดคือตัดกระแสของความคิดเหล่านั้นได้ลักษณะ ข, ของอารมณ์ในแนวนี้เป็นการใช้ปัญญาวิเคราะห์ที่ จำนวนบาลีนั้นใช้อีกอย่างหนึ่งว่าปรึกษาตัวเองคือปรึกษาการักกายตัวเองอากามรจักรกายนั้นคือกายที่แปดเปื้อนด้วยธุรีด้วยมนทรินด้วยสิ่งสกปรกด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆตั้งปัญหาขึ้นให้ตัวเองต่อแล้วจะตอบไปโดยลําดับพอถึงจุดหนึ่งแล้วจะหยุดปัญหาจะหยุดความคิดในกรณีนั้นๆได้ นี่คือปัญญาในการคุ้มครองตนรักษาตนในชีวิตประจําวันอยู่ในลักษณะของปัญญาที่เรียกว่าบริหารตนเองจนถึงก็คุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้แต่เนื่องจากจุดมุ่งหมายในคำถามต้องการที่จะตัดกระแสของตัณหาของจิตของกิเลสของทุจริตให้ขาดไปปริมาณของปัญญาจะต้องมากยิ่งขึ้น เพราะปัญญาขนาดนี้ตัดได้ในส่วนหยาบๆแต่นั้นเองในส่วนที่ละเอียดยังตัดอะไรไม่ได้แต่นั้นท่านจึงบอกว่าต้องใช้ระดับของวิปัสนาปัญญาคำว่าวิปัสนาปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดเห็นรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งทรงใช้อีกอย่างหนึ่งว่าสัมมัปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ รู้ไปจากแจ้งแก่ใจแต่เป็นความรู้ทีละได้เพาตามปกติปัญญาที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นมักจะเดินมาในสองขั้นคือขั้นของการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสกับขั้นของการเพ่งพินิษพิจารณาสามารถเข้าใจโดยเนื้อหาโดยรูปแบบของสิ่งด่อ น, นั้นในอาจารย์สามารถอธิบายได้เป็นกระบวนการของสิ่งด่ น, นั้น แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ควรละยังละไม่ได้สิ่งที่ควรบำเพ็งก็ยังบำเพ็งไม่ได้ปัญญาในลักษณะนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นปริหารยาปัญญาคือปัญญาที่บริหารตนเองได้อย่างแท้จริงจะต้องมาอยู่ในจุดที่เข้าถึงเป็นวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เห็นประจักษ์ของความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่บังเกิดขึ้นมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้น เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยมีอาการไหลต่อเนื่องกันไปและในที่สุดก็จะแตกตัดไปในขณะที่แกดำรงอยู่ในแต่ละจุดของการดำรงอยู่นั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนอยู่ทุกขณะไม่อยู่นิ่งแม้แต่เพียงขณะเดียวนันคือกระบวนการของชีวิตของธรรมชาติทั้งหาย ที่มีการเกิดดับในลักษณะที่ต่อเนื่องกันไปแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าขาดเหตุปัจจัยแล้วแกก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ยกตัวอย่างว่าโสตะวิน ญ, ญาณคือความรู้ทางหูตาว่าเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแกขาดไปจะมีหูแต่ไม่มีเสียงหรือมีเสียงแต่หูหนวกหรือหูก็ไม่หนวกเสียงก็มีแต่ไม่สนใจ เสียงนั้นก็ไม่มีอิทธิพลครอบงาอะไรใจตนเองได้แต่การที่เกิมีอิทธิพลครอบงาใจตนเองครอบบุคคลนํามาปรุงคิดนํามาคิดปรุงไปด้วยประการต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมกักจะปรุงคิดคิดปรุงในแนวที่จะก่อให้เกิดความกําหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาขึ้นมาทําให้ปรุงคิดคิดปรุงในลักษณะนั้นกิเลสเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองไม่ได้ เราจะมองหเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีการแผดเผาหล่นใจของตนตัณหาบาังเกิดขึ้นก็เผาลนแด้แก่เผาล่นอยู่ทุกขณะเป็นเผาลนเป็นกระบวนการทีเดียวเริ่มมาจากความคิดนึกกําหนดหมายอารมณ์ว่าสิ่งนั้นดีแล้วก็มีการปรุงอยู่ภายในใจเรื่อยๆจนออกมาเป็นความคิดพลั้นไปในเรื่องเหล่านั้นปริมาณความร้อนร้อนก็สูงขึ้น จนถึงกับกลายเป็นจิตเร้าร้อนไปแรงปรถนาที่จะสนองตอบความต้องการของตนอันบังเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็ออกมาเป็นอาการทางกายทางวา จ, จาคือมีการสแสวงหาเพราะเพราะความรุนแรงของตานาที่บังเกิดขึ้นมาโดยลําดับนั่นเองทำให้การสแสวงหามีลักษณะที่รุนแรงก็ออกมาในรูปเขาเป็นทุจริตคือตกลงไปในกระแสอีกกระแสหนึ่งซึ่งหยาบ ร้านมากกว่าการกระทาทุจริตต่างๆก็มีความเดือดร้อนจนถึงก็ได้มาก็ยังเผารนด้วยความควงใจด้วยความมีตกกังวลด้วยความเดือดร้อนกลัวคนอื่นจะมาทาอันตรายมาขาโมยมาแตะต้องของตจะหลับจะนอนเป็นต้นก็ไม่หลับนี่แสดงให้เห็นว่าแกมีความเ้าร้อนอยู่โดยสภาพของแกและถ้าหากว่าปล่อยให้แกไหลไปเรื่อย que, ความร้อนก็จะแผลบขอใจของตนมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล <c oughs> <c oughs> ก็คือความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆแล้บุคคลมองเห็นโทษในจุดใดจุดหนึ่งได้แล้ว <c oughs> ก็อาจจะมองในแง่ของความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าเอาก็จริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง การเป็นของเราเป็นการสมมตุติคือชั้นสมมุติกันในขณะที่สมมติพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นวิปัสนาปัญญาแต่ปัญญาในระดับบริหารตนอย่างกล่าวแล้วให้บริหารตนบริหารคนบริหารงานให้ผสมสอดคล้องกันมีความเกื้อกูลต่อกันเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันจึงก็ใช้ปัญญาระดับนึง่งแต่ระดับที่เป็นวิปัสนาปัญญาเพื่อต้องการถ่ายถอนกิเลสนั้น เราต้องมองเห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือมองเห็นว่าเอาก็จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงในสุดก็ต้องพาดจากกันไปเราไม่สามารถที่จะบงการให้สิ่งให้บุคคลให้อารมณ์ให้อะไรก็ตามแม้แต่ตัวเราเองเป็นไปอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นได้ ไม่ต้องกล่าวอื่นไกลเรื่องลึกซึ้งถนัดนั้นแม่ระดับชีวิตประจำวันของบุคคลเช่นปรารถนาอย่าให้ตนมีโรคภัยไข้เจ็บปรารถนาจะให้ตนมั่งคั่งร่ำรวยปรารถนาที่จะให้ตนเป็นที่รักที่เคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายปรารถนาที่จะให้ตนตายไปบังเกิดในสุคติเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องที่ปรารถนาได้ยากเป็นไปได้ยาก บุคคลสามารถตั้งความปรารถนาแต่โอกาสที่จะสมความปรารถนานั้นจําเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขสร้างเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบเข้ามาสนับสนุนเป็นนั้นมากซึ่งก็น้อยคนหรือเกินที่จะเต็มตามความปรารถนาบุคคลเป็นส่เป็นนั้นมากจึงไม่มีใครที่ที่สมตามความปรารถนาและตายไป คนส่วนมากจะตายไปในขณะที่ความปรารถนาของตนยังไม่ได้รับการสนองตอบตามที่ตัวต้องการซึ่งเป็นการแสดงถึงความจริงว่าเอาก็จริงแล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรที่เราเราจะบงการจะบังคับบัญชาจะกะเกณให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ดังนั้นเมื่อพิจารณาได้เช่นนี้แล้วบุคคลก็จะสามารถผ่อนคลายบรรเทาจนถึงกรตัก กระแสของตันหาเป็นต้นได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่งตนต่อต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบสืบต่อไป